เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในร่มปูิยานในวันนี้การปฏิบัติในส่วนของกรรมฐานซึ่งแปลว่าเป็นการงานที่บุคคลจะพึงทํำทางใจนั้นมีเป้าหมายอยู่สองเป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกมุ่งไปที่ความสงบเป้าหมายที่สองมุ่งไปที่ความรู้ ซึ่งท่านจำแนกออกเป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติในแง่ของสมถกรรมฐานจึงเน้นไปที่ความสงบจะถามว่าสงบจากอะไรก็ใช้คำว่าสงบจากทำเครื่องกั้นจิตของบุคคลไว้แม่บรรลุความดีที่เรียกว่านิวร แต่จริงคำว่านิวร น, นั้นเป็นคำสรุปรวมบรรดาพวกกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นครุ่มรวมใจของบุคคลในที่อื่นอาจจะเรียกชื่ อ, อย่างอื่นก็ได้แต่ขอบข่ายของกิเลสเหล่านั้นก็คงอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงเพราะโดยดยทั่วไปจึงทรงใช้คำว่านิวรนเป็นพื้นเพราะว่าเป็นอาการที่ปรากฏแก่จิต และบุคคลสามารถเห็นได้ง่ายนั่นก็คือพวกการมสารนาการที่จิตเนียวนึกถึงสิ่งซึ่งตนรักใคร่ปรารถนาพอใจสิ่งที่นำมาเนียวนึกนั้นอาจจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ในการขวอยคว้าในเรื่องอ น, นาคตก็ได้นั่นในการปฏิบัติสมถกรรมฐานพวกอารมณ์ ที่ส่งสอนให้กำหนดระลึกจึงไม่มีลักษณะใกล้ต่อกรารมฉันหรือไม่เป็นการเพิ่มเชื้อของกรารมฉันอารมณ์จึงมีลักษณะเป็นกลางกลางกับเป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกลางกลางเช่นการสอนในพิจารณาเรื่องของอาหารที่รับประทานเข้าไปพิจารณาดูร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยปกติธรรมดาตลอดถึงพวกอารมณ์พวกกสิณทั้งหลายที่ ส, สอนให้เพ่งดูเพื่อให้มีสติระลึกอยู่ที่กสิณ น, นั้นๆแต่เมื่อพิจารณาไปบริกรรมไปความสงบก็จะบังเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นกุศลเจ็ดพุทธานุสติเป็นต้น เมื่อบุคคลไปกำหนดระลึกก็ชื่อว่าเป็นการดึงจิตให้ห่างจากอารมณ์ที่เป็นการมชาติออกไปในส่วนของพยาบาทเป็นอาการเหนียวนึกทางจิตที่ประลบอนิถารม์คืออารม์ที่เราไม่ชอบซึ่งมากระทบใจแลวเก็บไว้าภายในใจเป็นอาการทางจิตที่เรียกว่าพยาบาทที่ทรงบุปมามเหมือนโรค ซึ่งมันเกิดขึ้นในกายของบุคคลผลจากการเสียแทงของโรคเป็นเรื่องที่คนป่วยนั้นๆจะต้องรับด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครที่จะแบ่งเบาความเจ็บปวดรวดเราวเหล่านั้นไปได้ความโกรธก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่แผดเผาจิตใจของบุคคลทั้งหลาย ความเร่าร้อนรุนแรงที่บังเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นจะพึงรับด้วยตัวของตัวเองดังนั้นจะพบว่ากรรมฐานจึงมีลักษณะห่างจากความโลภหา่หางจากความโกรธแล้วก็ห่างจากความโลภในสายของของกายมชั้นดังกล่าวแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงสายของธรรมะที่ต้องการจะแก้กความ พยาบาดโดยตรงก็คือกลุ่มของพวกพรมิหารทั้งสี่ประการประการต่อไปคือเรื่องของทีนามิธะเป็นอาการทางจิตด้วยอาการทางกายด้วยในการปฏิบัติธรรมานั้นพึงสังเกตว่านิวรณทั้งห้าประการ น, นั้นการมฉันข้อที่หนึ่งกับทีนามิธะข้อที่สาม มีปัจจัยกระตุ้นทั้งที่ใจตัวเองและเป็นเรื่องของภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของอาหารที่รับประทานเข้าไปอาหารถ้าบุคลรับประทานเข้าไปมากๆก็จะเกิดอาการของถีนมิทธะและผลจากการมีอาหารมากนั้นทําให้ร่างกายแข็งแรงก็กระตุ้นความรู้สึกประเภทการมันฉันคิดมาวันธรรมะปฏิบัติใน ระดับศีลตั้งแต่ศีลแปกขึ้นไปจึงมีข้อปฏิบัติที่สอนให้บุคคลลดปริมาณของอาหารลงไปเพื่อจะแก้ไขความรู้สึกประเภทการรมฉันในประเภททีนมิทาดังกล่าวทีนมิตานั้นได้แสดงอาการออกปาในหลายลักษณะง่วงเหงาเอานอนซึ่งซึม ง, ง, งอยเหงาปวดทูกเครื่ม จนถึงกับรู้สึกจืดชืดชายเย็นแหมรงทั้งหลายก็มีกรรมฐานประเภทที่สงสอนในบุคคลไปเพ่งอยู่ในเรื่องนั้นๆเพื่อจะบรรเทาความง่วงของบุคคลแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าแก้ไม่ได้ก็สงสอนเรื่องการจงกรมเอาไว้แต่บุคคลมีสติก้าวเดินไปมา เปื่บันเทาความง่วงที่ัำเกิดขึ้ น, นเรื่องของทีนามิทะในอุตจากขุกุจจะคือความฟุ้งซ่านความรำคาญนั้นตัวการสำคัญก็คือทาให้ใจเกิดสายเกิดเล่นสายไปทันทีต่างต่างกรรมาฐานจึงมุ่งให้ใจมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้แม้บางครั้งจะสายก็ไม่สายมากเกินไป อย่างที่ท่านอุปมาธรรมะสามประการคือจิตอารมณ์และสติที่เป็นหลักสำคัญในการเจริญสมถะกรรมฐานว่าจิตนั้นมีลักษณะเหมือนลูกโคที่กำลังสนคือวิ่งไปในที่ทต่างๆอารมณ์กรรมฐานนั้นจะเปรียบเหมือนกระเสาหรือหลักส่วนสตินั้นจะทำหน้าที่เหมือนเชือก บุคคลเอาเชือกไปปลูกไว้ที่คอลูกโคด้านหนึ่งแล้วก็มาล่าไว้ที่หลักอีกด้านหนึง่งถึงแม้ลูกโกลจะลั่นไปในที่ต่างๆหรืจะซนยังไงก็ตามก็คงจะอยู่ในขอบข่ายของเชือกอาจจะหมุนบนอยู่ ใ, ใกล้ๆเสานั่นเองแต่มาวิ่งเหนื่อยเข้าในที่สุดก็ค่อยๆลดความซนลงไปจนในที่สุดก็ไปจนอนอยู่ที่หลัก การฝึกเกียรให้เกิดความสงบจากความฟุ้งซ่านต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวทนมุ่งที่จะดึงจิตซึ่งแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็หลายลักษณะอาจจะเป็นสายโลภะโทสะเวมอหารกระตานแลวมาอยู่ในจุดที่สามารถสงบได้ในเชิงของการปฏิบัติเฉพาะในที่นี้จะกล่าวเฉพาะส่วนของอุตจักขุจจัก ในส่วนขอการปฏิบัติที่เต็มรูปนั้นแต่จึงได้ท่านสอนให้ตัดพุปกปริพภทคือเครื่องกังวลต่างๆออกไปให้ได้เสียก่อนประการทำใจสงบนั้นปัจจัยภายนอกจะต้องสนับสนุนมากแต่ว่าปัจจัยภายนอกไม่เกืกูลหรือว่ากลายเป็นค่าศึกการจะทำใจสงบก็ทำได้ยาก สิ่งที่ก็ให้เกิดความกังวลท่านใช้คำว่าปริพ o o ในบาลีที่จริงก็จาแนกไว้ถึงสิบประการแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องของความนึกคิดนอกจากอารมณ์ที่เรากำหนดรึกในขณะนั้นๆก็กลายเป็นเรื่องของปริโพ o ทั้งหมดคือเรื่องกังวลทั้งหมดจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้นะก็ได้ปัจจุบันก็ได้ถ้าเป็นตัวอุปสรรค ขวางตวความสงบก็ถือว่าเป็นเรื่องของปาริพจน์จะไม่จำเป็นจะต้องนับว่าอะไรบ้างเพราะเวลานั้นก็คือการตั้งสติระลึกอยู่ที่อารมณ์ซึ่งกำหนดระลึกเช่นพุโทโธเป็นต้ น, นเพราะ้นอกจากพุโทโธมันก็กลายเป็นอารมณ์ปาริพจน์จะก็อให้เกิดความกังวลแล้วอุตจักขุปจันั้น คือตามปกติแล้วท่านบอกว่าเกิดขึ้นมาจากเจตสุอุปสะมะคือใจที่ไม่ยอมสงบหรือรอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอารมณ์ที่ใช้กําหนดระลึกในขณะนั้นๆแต่ถ้ามองให้ซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งเราจะพบว่ามีปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือการไม่ได้ความสุขไม่มีความพอใจไม่มีความยินดีในที่นั้นๆ แต่ามองด้วยการเคลื่อนไหวทางกายก็จะเห็นภาพชัดเจนว่ารถนั่งรถนอนรถอยู่ในยาบทใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายจะต้องสายหาอิเดียบทอื่นหรือสถานที่อื่นถ้าแม้แต่การรับประทานอาหารเมื่อรับประทานเข้าไปรู้สึกไม่ถูกปากก็ต้องเปลี่ยนอาหารอาการของใจที่เป็นอุตจักกุกุจักก็เป็นชิ้นเดียวกันคือไม่มีความพอใจไม่มีความยินดีในอารมณ์หรือในเรื่อง น, นั้นๆและในที่สุดแกก็สาย นั้นเวลากะเวลาปฏิบัตินั้นทรงสอนให้ดูจิตของตนในขณะนั้นนั้นให้เห็นว่ามีอุตจากักขุกุจจะอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ต้องยอมรับี่ตัวเองว่มี ป, ปัญหาในการปฏิบัติทางจิตนั้นจะต้องรู้ถึงความจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆไม่ใช่ว่าจิตฟุง้งซ่านอยู่แต่ยังไปคิดว่าจิตเราสงบ แต่ไปคิดว่าจิตเราส ง, งบทั้งทงที่ฟุง้งซ่านก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็รทำนองคล้ายๆกับคนที่รู้สึกว่าตนเองดีแล้วถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ไม่คิดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรในการมองจึงต้องมองให้เห็นตามความจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆเมื่อเห็นว่าจิตยังฟุง้งซ่านอยู่ก็ทรงสอนให้มองดูซิว่าแต่ความฟุง้งซ่านที่จริงก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย อารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอาจจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้อาจจะเป็นกลางๆ ก, ก็ได้และถูกแม่ ต, ตัวนิวรณ์เองก็อาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เพราะงั้นเมื่อเกิดความผุ้งสั่นขึ้นมาแสดงว่าต้องมีเหตุให้เกิดความผุ้งสั่นเราต้อสอนให้สอบสืบสาะไปหาต้นเหตุให้ได้ต้นเหตุใหญ่ก็คือเรื่องของความรู้สึกว่าไม่เป็นสุข พอไม่เป็นสุขจิตก็ดิ้นดิ้นก็กลายเป็นความไม่สงอบแห่งกิตจิตใจของบุคคลก็จะสัดสายเป็นเรื่องต่างๆึงบางครั้งก็ส่งอุปมาให้เห็นว่าเหมือนว่านอนที่แล่นไปบนต้นไม้ก็วิ่งไปเรื่อยๆไม่ตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะนั่นก็คือการสืบเสาะไปถึงตัวสาเหตุบองก แถวซายอย่ที่ลึกกว่านั้นก็มีก็คือโมหะแต่ในเชิงปฏิบัติที่เป็นสมถะกรรมฐานไม่สืบลึกขนาดนั้นประสรบลึกขนาดนั้นจริงๆสติปัญญาเราที่จะไปตัดขนาดโมหะนั้นตัดยากประการปฏิบัติระดับสมถะกรรมฐานเรามุ่งเพียงส ง, งบไม่ใจบุ้งจะถึงเดียองถุดขุดรากถอนโขดกันประการจะไปขุดรากถอนโคนกิเลตประเภทโมหะได้จริงๆนั้นเป็นมีได้เฉพาะพป่ า, ารหันนั้น การปฏิบัติในชั้นนี้จึงมุ่งให้เกิดความสงบหรือสยบความนาจของแกไม่ดึงจิตเราให้สั่สายป้างเกิดไปในปณหาต่อไปก็สงสอนให้ดูว่าอุทธะกุกุจจะคือความฟุ้งสั้นกับความรำคาญในการปฏิบัตินั้นจะต้องสังเกตว่าบางครั้งมันเป็นอุทธะเฉยๆรือฟุ้งไปเฉยๆแต่ไม่ถึงกับกุกุจจะคือรำคาญหดหงิดงุนง่าน เพราะ น, นวนข้อนี้จึงเป็นนิวนณ์ผสมความฟุง้งซ่านนั้นเป็นอาการของโมหะแต่ความหงุดหงิดนั้นเป็นอาการของโทสะแต่แกไม่ได้มาของแกตามลำพังคราวนี้ให้ลองสังเกตว่าเรื่องอะไรก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาการของโมหะอาการของโทสะหรืออาการของโมหะก็ตามมันจะเกิดขึ้น แต่เฉพาะในที่นี้เราจะเห็นว่าที่จริงมันก็เริ่มจากฟุง้งมฟุ้งมากเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็เกิดรำคาญตัวเองกิเลสประเภทโทสะก็เกิดขึ้นแต่ในที่นี้ท่านใช้คำว่ากุกุจจะคือรำคาญไม่ถึงก็เป็นปฏิฆะงดหงิดงุนงานแต่ในขณะเดียวกันแกก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นความรุนแรง เป็นพวกอารติเป็นความไม่ยินดีเป็นปฏิฆะความหงุดหงิดความวุ่นวายเป็นโกตะความโกรธเป็นโทสะความมัธุสรายก็ได้เรายังแก้ปัญหาแก่จให้แก่จิตใจตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็ต้องรู้ตามนั้นอีกซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือจิตปรากฏในขณะนั้นเป็นอย่างไรก็รู้จักแก่ทำความเป็นจริง เดี๋ยวมาสืบสอบไปได้เช่นนี้เราต้ตอง น, นึกว่าอุตจักกุกกุจะที่บังเกิดขึ้นแล้วเราสามารถสงบได้ด้วยวิธีใดบ้างไปศึกษาถึงวิธีสงบคราวนี้เพิ่งสังเกตว่าอาการออาก็อุตจักกุกกุจะคือฟุ้งซ่านรังคาดั้นถ้ามองในสายของจิตก็คือวิตกจิตโดย ก, การของจิตที่จดนึกไปในอารมณ์ต่าง เพาอารมณ์ที่จะแก้ปัญหาของพุทธจักกุกจักหรือพวกวิตกจริตรเจ้าก็ทรงแสดงไว้ที่อนาปานสติกรรมฐานเราเป็นข้าศึกโดยตรงก็เป็นตัวแก้โดยตรงของพวกวิจตุจริษต์ในกี่กัการตั้งจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์คือลมหายใจเข้าออก แต่การตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นถ้าพูดถึงโดยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพระบาลีจริงๆแล้วก็มีเพียงแต่ว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นคือเท่านี้ในการกระทาก็ทําเพียงเท่านี้ ถ้าจิตก็ยังไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นก็ทำอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเรื่องของความสงบลมของจิตก็ดูที่ความสงบของกายอย่าสังขารเนื้อดูกองลมก็แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็จับอยู่เฉพาะตรงนี้เองข้อนี้จะเห็นว่าตราบใดที่ทใจยังระลึกอยู่ระลึกตามลมหายใจเข้าอออยู่ตราบนั้นจิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ก็ไม่ฟุง้งซ่านความรำคาญก็ไม่เกิดขึ้นแต่การจะให้สติระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้นานนา น, นั้นจะต้องอาศัยอุปการะธรรมแต่แก่ความเพียรและสามัญชนญากเข้ามากํากับควบคุมเรต้องใช้ความเพียรพยายามมากแต่ละอย่างเป็นเรื่องของนา ม, มาทำแม้แต่สิ่งพิทีเป็นรูปธรรมเราจะจัดได้เข้ารูปเพรารอยาต้องความเพียรพยายามมาก อย่างสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามเพิ่มขึ้นศรัทธาความเชื่อมั่นหลักการที่ทรงแสดงไว้จึงเป็นอุปการธรรมที่สำคัญเพราะถ้าหากว่าขาดความเชื่อมั่นว่าจิตสามารถทำความสงบได้ก็ดีข้อนี้รูุตญาทรงแสดงไว้ก็ดีหรือข้อนี้โบราณบัณฑิตทั้งหลายได้ปฏิบัติจนรับผลมาแล้วก็ดี ความเพียรพยายามก็จะมีกำลังก่อนตอนในการปฏิบัติธรรมเรื่องของศรัทธารือความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทาและในตัวของเราจึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากถ้าเชื่อมั่นในตัวเราแต่ไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำก็เดินหน้าไม่ค่อยได้ถ้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแต่เห็นว่ามัเกินว่าสนาบารมีของเราที่จะทำความเพียรพยายามก็เกิดขึ้น มีกำบังมากไม่ได้คือจนถึงก็เป็นอาตาปิไม่ได้ในชัน้นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำเพียงถามคำถ้าคำสามคำเหล่านี้ในเชิงของการปฏิบัติธรรมแล้วทั้งสาธุชนอาจจะพบในรูปความหมายอื่นในรูปชื่อยอย่างอื่นเชอในพจชงทรงใช้คำว่าสติสัมโพุชงธรรมวิจยะสัมพุชงวิริยะสัมพุทชง จริงสติสัมโพชงก็คือสติมาในสติปัฏฐานนั่นเองคือความมีสติในสติปัฏฐานนั่นเองธรรมวิจยยสัมโพชงก็คือสัมประชัญญะซึ่งท้ายซึ่งใช้ในกรณีของการวิเคราะห์วิจัยจะไม่ใช้ในกรณีรับรู้เพียงอย่างเดียวแต่ก็เจาะลึกลงไปในรูปของการวิเคราะห์วิจัยวิทยาสมโพชงก็คืออาตาปะคือความเพียนพยายามนั่นเองเรียงแต่ว่า ปริมาณของธรรมะที่ต้องใช้มีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยเฉพาะคือปัญญาในความสูงขึ้นเนื่องจากจะต้องเข้าไปในขั้นของวิปัสสนาปริมาณของปัญญาสูงจึงใช้ในชื่อหมายว่าธรรมะวิจัยแกี่ว่าการวิจัยการพิจารณาการสอดส่องเพ่งดูธรรมะในแนวของความเกิดความดับคือเห็นความจริงตามประไตรักษณ์แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองไปลงข้างล่างก็จเห็นว่าสมาธิก็ต้องเป็นฐานใหญ่ ในการที่จะเพิ่มภูนให้องธรรมทั้งสามประ ก, การนั้นมีความเข้มข้นสูงพอที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบเห็นความจริงในสังขารธรรมทั้งหลายตามหลักของไตรลักษณ์ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ธรรมดานักเนื่องจากภายใ น, ในใจิตใจของคนก็มีผนังมีกำแพงขัดขวางความรู้ความเห็นในชนิดเอาไว้เป็นมากต่ในในกลุ่มของพวกิเลสทั้งหลาย เทือตจักกุกจักเมื่อบุคคลใช้อารมณ์ของอนาปานสติซึ่งเป็นตัวแก้โดยตรงเนื่องจากพวกทบคิดมา ก, กนั้นคือพวกวิตกจริตที่จริงพวกอาการมถีนาฏฐะคือเรื่อยๆชื่อๆในเนยื่อชื่อชาย็นนั้นก็เป็นอาการของโมหะโมหจริตแต่ว่าการที่ท่านพูดในแนวของนิวรณหมายความว่าเป็นบางขณะ แต่ถ้าเป็นนานๆคือจนเป็นลักษณะนิสยัยนั่นก็เรียกเป็นวนิจริตวิตกจริตก็คือคนที่ฟุ้งซ่านนั่นเองแต่ว่าเชิงนิพนธนั้นอาจจะฟุ้งซ่านเพียงไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงแต่ส่วนวิตกจริตนั้นเป็นนิสยัยคือฟุ้งซ่านอนู่ตลอดเราเป็นพวกกลุ่มเดียว ก, กันเพียงแต่ว่าวิตกนั้นอาจจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้ แต่นั้นอาจารจึงสอนในช่วงต่อไปว่าอุตจักขุกุจจนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วและบุคคลให้สามารถสงบไปได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นข้อนี้จะเห็นว่าพวกอุทธัจั้นเป็นเรื่องใหญ่ปะ่ะเวลาถึงจุดหนึ่งเวลาแกละเอียดเข้ากุกุจจะจะไม่เกิด คความฟุ้งซ่านความรำคาญนั้นจะไม่เกิดแต่ความฟุ้งซ่านยังมีแม้จะมีทิศทางที่มั่นคงแน่วแน่ก็ตามแต่ก็ยังเป็นปุทรจักรการจะตัดให้ขาดจริงๆ จ, งจึงตัดด้วยอาราตามักเพราะว่าพระนาคามีเองก็ยังตัดแกไม่ขาดแยเป็นกิเลสประเภทสังโยชน์ส่วนลึกที่จะตัดด้วยอาราตามักเท่านั้นนั่นในการปฏิบัต ระดับสมถะกรรมาฐานท่านจึงมุ่งไปในทางความสงบไม่จะมุ่งการตัดแกะคาดออกไปการได้ใ้สงบได้นั้นเพิ่งสังเกตว่าในจุดหนึ่งก็คือเจตสุโภวปสบันคือการพยายามทําจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จริงอาจจะเป็นพวกกสินก็ได้ในการเพ่งดูอารมณ์ต่างๆก็ได้แต่ว่าที่ตรงจริงๆก็คืออนาปานสติกรรมาฐานเป็นตัวแก แต่โครงสร้างก็นาปานสติกรรมฐานนั้นโดยการสําคัญก็คือสติระลึกอยู่ที่อารมณ์แม้จะเปลี่ยนแปลงเป็นการภาวนาว่าพุทโธเป็นต้นก็คงอยู่ในกลุ่มของนาปานสติกรรมฐานที่ผสมผสานด้วยพุทธานสติจึงก็สามารถจะทําจิตใจของบุคคลให้สงบลงไปได้แต่บางครั้งถ้าจะขึ้นไปในร ะ, ระดับนั้นยังไม่ไหวเพราะการฟุ้งท่านทางใจมากบุคคลอาจจะใช้การสาธยาย การท่องบนการสาธยายการไหว้พระสวดมนเป็นต้นไปก่อนก็ได้เพราะจิตแกยังวิ่งก็ให้วิ่งไปในบทสวดมนต์ซะก่อนแกก็วิ่งได้มากว่าสมควรแล้วก็สร้างความคุ้นเคยไปโดยลาดับและในที่สุดเราค่อยๆปรับเข้าหากับประธานโดยการปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตนั้นมันมีลักษณะคล้ายๆกับสัตว์ที่มันตกใจหรือเพลิดโดยการจะ ไปควบคุมให้แกหยุดนั้นจะใช้วิธีรุนแรงไม่ได้จะต้องใช้วิธีนิ่มนวลค่อยๆสร้างความเป็นมิตรสร้างความคุ้นเคยไปโดยลําดับต้องใช้การเวลาเข้ามาประกอบในทีสุดเมื่อความคุ้นเคยเกิดขึ้นก็าสามารถจะจับศาสตร์นั้นได้การควบคุมจิตให้เกิดความสงบจับอารมณ์คือควาอุจจาระกุจจะก็เป็นเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังทั้งหลาย แต่รวงพ่อโพธิาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงงามไปบูรในธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทางลายโดยทั่วกันสวัสดี